ถ้าสำรวมใจอยู่ภายในเช่นนี้มันก็ไม่มีเหตุปัจจัยอะไรที่จะก่อให้เกิดกิเลสต่างๆขึ้นมาดังนั้นแหละพระพุทธเจ้าก็จึงได้ทรงแนะนำให้พุทธบริษัททั้งหลายภาวนากันสำรวมใจของตนให้ เนี่ยวแน่พยายามมีสติควบคุมจิตไว้อย่าให้มันส่งไปบุคคลผู้ยังไม่ได้ทำใจให้เป็นสมาธิมา <c oughs> ฉเฉยพอส่งใจออกไปมัน แส่ไปหาสิ่งที่น่ารักสิ่งที่น่าชังนั่นแหละมากกว่าที่มันจะแส่ไปหาเรื่องอื่นสำหรับผู้ที่มีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วถึงแม้จะพิจารณาเพ่งออกไปข้างนอกมันก็ ไม่พอจะมีภัยเพราะว่าสามารถห้ามจิตตัวเองได้ไม่หลงยินดียินร้ายไปตามรูปเสียงกลิ่นรถเครื่องสัมผัส ต, ต่างๆเหล่านั้นมักจะมองเห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพร้อมกันไปเลยพร้อมกับพร้อมกับความรู้สึก พร้อมกับความรู้สึ ก, กว่าตาได้เห็นรูปเป็นต้นอย่างว่านั้นเนี่ยมันไตรลักษณะญาณก็ย่อมปรากฏขึ้นในใจทันทีสำหรับผู้ฝึกใจให้เป็นสมาธิมาอย่างํำนิจํำนานมาแล้วมันเป็นัน ผู้ที่ยังฝึกใจให้สงบระงับยังไม่ได้เต็มที่เพียงแต่ได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างนี้นี่อย่าประมาทอย่าปล่อยใจให้คิดเพ่งเลงไปในภายนอกต้องพยายาม ควบคุมจิตให้ตั้งอยู่ภายในนี่ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ <c oughs> พระพระุทธเจ้าจึงได้ทรงเปรียบเรื่องการในสำรวมอินทรีกับสำรวมอินทรีไว้ทรงยกเป็นเรื่องอดีตนิทาน ในอดีตการล่วงมาแล้วมีนกต้อยติวิตตัวหนึ่งเมื่อมานดายังไม่ตายมานดาก็พาหากินไปตามก้อนขี้ไถที่ชาวนาเขาไถทิ้งไว้เมื่อเวลา มีเหยี่ยวมีอะไรบินมาจะโฉกลงเอานกต้อยชีวิตมันก็พาลูกวิ่งเข้าไปซ่อนอยู่ใต้ก้อนขีไถก็พ้นจากเล็บของเหยี่ยวไปทีนี้ผู้แม่ของนกนั้นก็สั่งลูกไว้ก่อนจะตาย ว่าลูกเอ๋ยเมื่อแม่ตายไปแล้วลูกขอให้ลูกปฏิบัติตามแนวของแม่นี่ให้รู้จักซ่อนตนให้เป็นอย่าไปหากินนอกจากทางของแม่ที่พาหากินอยู่เนี่ยหรือว่าอย่าไปหากินไกลจากก้อนขี้ไถ ่ันแม่สั่งแล้วแม่ก็ตายไปขันต่อมาลูกนกต้อยตีวิตตัวนั้นมันประมาทมันก็เลยหากินไปเพลินไปห่างไกลจากก้อนขี้ไถไปเหยี่ยวตัวหนึ่งบินมามันเห็นเข้ามันก็โฉบตรงมาจับเอาไป ในอุ้งตีนของมันนะบินไปในอากาศนกต้อยตีวิตตัวนั้นก็นร้องคำควรไปโอ้เรานี่เนเป็นผู้ประมาทไม่ฟังคำสั่งของมารดาหากินไกลครองของมารดาหากินนอกทางของมารดา เ๋ยวได้ยินอย่างนั้นก็ถามว่านี่เธอบ่นอะไรบ่นว่าข้าพเจ้านั้นไม่ฟังคำสั่งของมารดาไปหากินไกลทางของมารดาที่เคยพาหากินมาแต่ก่อนเดีย๋ยวก็ถ้านกต้อยตีวิตตอนั้นเออถ้าว่าเธอ หากินตามทางของมารดาสั่งไว้นะันแล้วเธอจะพ้นจากอุ้งเล็บของเราเหรือเข้าใจว่าจะพ้นได้เพราะนั้นถ้าอย่างนั้นเราจะเอาเธอลงไปปล่อยไว้อีกทีหนึ่งว่าแล้วเดี๋ยวก็พา นกต้อยตีวิตตัวนั้นไปสู่ที่เดิมปล่อยไว้นกต้อยตีวิตตัวนั้นมันก็หากินไปตามก้อนขี้ไถมันก็ระวังตัวอยู่ไอ้เจ้าเหยียวบินขึ้นไปท้องฟ้าแล้วก็โฉบลงมานกต้อยตีวิตตัวนั้นมันก็วิ่งเข้าใต้เงื่อมของก้อนขี้ไถนั้น เ ย, ยวตัวนั้นโฉบมาไม่จับนกต้อยชีวิตตัวนั้นไม่ได้หน้าอกก็ไปกระแทกเอากับก้อนขี้ไถอกแตกตายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าพุทธบริษัทไม่สำรวมศีลไม่สำรวมอินทรีย์ ของตนให้ดีปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปตามความชอบใจเมื่อตนชอบใจรูปมันก็คิดไปหารูปตนชอบใจเสียงมันก็คิดยินดีพอใจไปนในเสียงเป็นต้นเหล่านี้แหละทีนี้ภยัยคือกิเลส ราคะบังโทสะบังโยมเกิดขึ้นจากการสง่งจิตไปเกี่ยวข้องกับรูปกับเสียงเป็นต้นเหล่านั้นทำให้จิตใจแปรปรวนไปจากคุณงามความดีถ้าเป็นนักบวชก็ประพฤติพรหมจรรย์ให้ ติดต่อกันไปไม่ได้เลยถ้าเป็นครือฮัตก็เป็นคนเจ้าโทโซโมโหหรือเป็นคนเจ้าชู้มักมากในกามประพฤติผิดในศีลได้ทุกข้อเลยถ้าไปสะสมกิเลสเหล่านี้ให้มากขึ้นในจิตใจแล้ว นี่แหละภัยพระพุทธองค์เจ้าทรงยกเรื่องราวมาเปรียบเทียบเหวี่ยวนั่นก็เปรียบเทียบได้กับราคะโทสะโมหะนี่แหละกิเลสเหล่านี้มันคอยจ้องจะครอบงามจิตใจของคนทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี่สำหรับผู้ที่ ไม่ได้ฝึกตนไม่มีคุณธรรมอยู่ในใจแล้วมันก็ครอบงำมาแต่เมื่อเกิดนั่นแหละเมื่อชีวิตจเจริญไปขึ้นมาเท่าไรกิเลสมันก็จเจริญขึ้นตามเท่านั้น <c oughs> ทีนี้พวกที่จะยับยั้งกิเลส น, นี้ได้ก็เพราะได้มา พบพุทธศาสนาได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านแนะายวิธีให้อุบายวิธีสำรวมจิตเมื่อเข้าใจแล้วพยายามสำรวมจิตใจตามที่ท่านแนะนำสั่งสอนนั้นนั่นแหละถึงจะยับยัง้งกิเลส ต, ต่างๆเหล่านั้นไม่ให้ครอบงาจิตใจได้เต็มที่ หรือว่าสามารถบรรเทากิเลสเหล่านั้นได้กิเลสอันใดที่มันมีอยู่จะในใจมาแต่ก่อนเมื่อผู้นั้นสำรวมอินทรีย์อยู่ในปัจจุบันเนี่ยเกิดมาแล้วมาฝึกสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกเล่นกายใจนี่ไวเ้เสมอเสมอ ตาได้เห็นรูปก็ไม่หลงยินดียินร้ายไปตามหูได้ยินเสียงจมูกได้สูดกลิน่นลิ้นได้รับรสอาหารกายได้ถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ไม่หลงยินดีในอารมณ์ที่น่าชอบใจต่างๆและก็ไม่หลงยินร้าย ในอารมณ์ที่น่าเกลียดน่าชังต่างๆและก็ไม่หลงไม่เมาไปตามอารมณ์เหล่านั้นเพราะบุคคลเมื่อมาสำรวมอินทรีย์ไว้ภายในแล้วจิตใจมันก็ตั้งมั่นลงไปเวลามีอารมณ์ภายนอกกระทบมาปัญญามันก็เกิดขึ้น มันก็เห็นอารมณ์มีรูปเป็นต้นเหล่านั้นเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาทุกเวลาที่ได้เห็นหมายความว่าเห็นอารมณ์เหล่านั้นน่ะเกิดเกิดดับดับไปอย่างนั้นเนี่ยไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเช่นอย่างมองเห็นรูปกาย ของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็ดีหรือว่ารูปอย่างอื่นก็ดีเราก็คุกนั้นก็ต้องนึกถึงรูปที่มันแตกดับมาแล้วนูน่นนั่นเละรูปนี้ยังไม่แตกก็จริงอยู่หรอกแต่ว่ารูปอื่นนั้นที่มันเกิดก่อนน่ะมันแตกดับไปแล้วเสียงก็เหมือนกัน เ, นเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสพวกนี้มันเกิดดับเกิดดับอยู่นั้น รูปนี่มันก็เกิดมาแล้วรูปใดมันหมดเหตุปัจจัยมนแล้วมันก็แตกดับไปแล้วรูปที่ยังไม่แตกดับเพราะมีเหตุปัจจัยมันยังบำรุงรักษาอยู่มันจึงยังไม่แตกดับไปก่อนแต่มันก็ค่อยสุดโทมไปโดยลำดับอยู่ในตัวของมันนั่นแหละแต่มันก็ไม่ปรากฏง่าย ต่อเมื่อมันบุญกุศลที่อุปถัมภ์บำรุงรูปอันนี้นะมันน้อยลงไปมากแล้วอย่างนี้รูปอันนี้มันก็จึงปรากฏว่าเปลี่ยนแปลงไปมากเช่นบุคคลย่างเข้าสู่วัยชราอย่างนี้นะอายุสี่สิบห้าสิบปีไปแล้วก็ เอาละรูปกายนี่รู้สึกว่าทรุดทรมลงไปเห็นปรากฏได้ชัดเลยบางคนก็ผมหงอกขาวโปรนก็มีอายุแค่ห้าสิบปีปอย่างนั้นฟันหลุดฟันหล่นไปตา ม, มัวไปแต่บางคนที่มีอายุยืนไปอย่างนี้นี่ก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงง่ายอายุ ประมาณสี่สิบห้าสิบปีนี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปไม่มากอันนี้แหละมันต้องพิจารณาดูให้มันเห็นทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันแห้มันเห็นแจ้งด้วยปัญญาลงไป ถึงว่ารูปนี้ปัจจุบันนี่มันยังไม่แตกไม่ดับแต่ต่อไปมันก็แตกก็ดับกับมันก็สุดโทมไปอย่างนี้หละถ้าถ้าจะว่าให้เห็นในปัจจุบันนี่ว่ารูปเกิดรูปดับมันก็ไม่ยากอะไรนี่อ้าดื่มน้ำเข้าไปอย่างนี้นะไม่นานเดียวก็ถ่ายปษษัสสาวะออกไปแล้วนั่นแหละ ถ่ายปัสสาวะออกไปแล้วผัหิวผัดดื่มเข้าไปอีกอย่างงี้นะการดื่มน้ําเข้าไปนั่นเนี่ยเรียกว่ารูปมันเกิดการถ่ายปัสสาวะออกไปนั่นเรียกว่ารูปมันดับอย่างงี้แหละการรับประทานอาหารเข้าไปอย่างงี้นะอืแล้วไฟธาตุย่อย ลงไปทายเทยออกไปนั่นเรียวกว่ารูปดับการรับประทานอาหารเข้าไปรูปเกิดเรียวกว่าอาหารนั้นไปบำรุงธาตุดินไว้ส่วนน้ำนั้นไปบำรุงธาตุน้ำไว้อย่างนี้เนี่ยส่วนธาตุไฟนั่นน่ะ ธาตุลมหมวเนี่ยมันก็อาศัยอยู่กับธาตุดินธาตุน้ำนี่แหละเมื่อธาตุดินธาตุน้ำนี่เป็นปกติอยู่ธาตุไฟธาตุลมก็เป็นปกติอยู่เป็นอย่างนั้นอย่างอย่างคนเป็นลมอย่างนี้นะในทางการแพทย์เขาว่าอาศัยความไหลเวียน ของโลหิตไม่สมเสมอดังนั้นมันถึงได้เกิดเป็นลมหน้ามืดตาลายขึ้นมานอย่างนี้นะความไหลเวียนของโลหิตเนี่ยอาศัยธาตุลมอะลมพัดอะมันจึงไหลเวียนไปได้ทนถ้าหาว่าลมนั้นมันติดขัดเข้าไปเลือดวิ่งไม่สะดวก อย่างนี้แล้วก็เอาแล้วเกิดเป็นลมอ่อนเพลียไรเหียใจหน้ามืดตาลายขึ้นมาแล้วถ้าธาตุไฟนั่นมันอ่อนแอลงหมายความว่าธาตุดินละมันวิบัติลงธาตุน้าวิบัติลงอันนี้ธาตุไฟก็อ่อนแอลงตามกันไฟก็ย่อยอาหารไม่สะดวกกว่านี้ รับประทานอาหารเข้าไปก็เกิดท้องอืดท้องเฟ้อขึ้นมาเมื่อธาตุไฟมันอ่อนลงเนี่ยไม่ค่อยอยากอาหารนี่คนเราเบื่ออาหารเป็นอย่างนั้นเมื่อธาตุลมมันปีิบัติก็เหมือนกันนะเส้นลมมันดันขึ้นเบื้องบนมากอย่างนี้นะทำให้กลืนอาหารไม่ค่อยจะลงนู่น พอกลืนเข้าไปลมมันดันเอาไว้ก็เลยอาเจียนออกสัก็มีบางคราวเนี่ยรูปร่างกายอันนี้นะมันจะมีอะไรกิรังยั่งยืนมันเกิดดับเกิดดับอยู่เนี่ยไฟธาตุที่ย่อยอาหารละเอียดแล้วมันก็ซึมซาบไปรอเรียงรูปกายอันนี้ไว้ ทีนี้เมื่อเวลาถูกความร้อนมาถูกเข้าเช่นแดดแผดเผาเอาว้างทำงานหนักเข้าไปอย่างนี้ธาตุไฟมันแรงมันก็ขับน้ำอยู่ในกายนี่ออกมาตามขุมขนเราเรียกกันว่าเหงื่อใครอ่าอย่างนี้เนี่ยที่เรียก ว, วา่า อาหารที่เราเลี้ยงร่างกายเนี่ยมันนกอกจากมันออกทางทวารหนักทางทวารเบาแล้วมันก็ออกตามรูผมขนมดเนี่ยเนี่ยรูปเกิดรูปดับให้พิจารณาเอาเรารับทานอาหารเข้าไปนีว่าไปร่อเลี้ยงรูปอันนี้ให้ทรงตัวอยู่ได้นีว่ารูปเกิด เมื่อไฟธาตุมันย่อยแล้วเหลือแต่กากถก่ายเทออกไปอันเรียก ว, ว่ารูปดับมันเป็นอยู่อย่างนี้ในะรูปกายอันนี้ถ้างดรับประทานอาหารเสียแล้วรูปอันนี้ก็เหิวแห้งเข้าไปแตกดับทำลายไปเท่านั้นเองมันมันไม่มีอะไรอ่ะ ดังนั้นเหตุพากันพิจารณาอันนี้ท่านเรียกว่าเจริญปัญญาวิปัสนารู้จักแยกแยะรูปร่างกายนี้ออกตามอาการนั้นมที่พระพุทธเจ้าทรงแยกแยะออกไปให้ดูแล้วนะนั่นนะ ส่วนถ้าจะแยกส่วนไม่ละเอียดเท่าไหร่ก็พิจารณารูป ก, กายทั้งหมดนี้ให้เห็นเป็นแต่สักว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่เท่านั้นไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรตามหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ถ้าพิจารณาแยกแยะส่วนละเอียดออกไป มันก็ต้องพิจรารณานับตั้งแต่ผมขนและฟันหนังเป็นต้นไปจนตลอดถึงอาการสามสิบสองนุ่มแยกออกเป็นชิ้นเป็นส่วนออกไปนี้ธาตุดินมีสิบแปดธาตุน้ำมีสิบสอง ธาตุไฟมีสี่ธาตุลมมีหกนี่มันต้องพิจารณาให้แยกแยกออกตามอาการเหล่านี้ต้องเรียนรู้ต้องท่องจำสำหรับผู้เรียนนักธรรมนะไม่ควรจะไปลืมธาตุเหล่านี้ต้อง นอกจากจดจำตามตัวหนังสือแล้วเมื่อมันนั่งภาวนาอยู่ทําใจสงบลงไปแล้วกับเพ่งเงีกเง้กแยะอาการของร่างกายเหล่านี้ออกเป็นชิ้นเป็นส่วนออกไปดูมันตองอย่างนั้นมันมันยังจะเห็นแจ้งลงไปว่าไม่มี สัตว์ไม่มีบุคคลตัวตนเราเขาอะไรอยู่ในนี้เลยเมื่อเราแยกแยะเป็นชิ้นเป็นส่วนออกไปอย่างนั้นเดียวผู้ที่ไม่ได้เรียนนักธรรมก็ดูตำรบตำลาเอาท่องเอาให้ได้เช่นอย่างผู้บวชชีบวชขาวมาอม่งี้นะมันก็ต้องดูตำรบตำลาเนีย พยายามท่องจำเอาให้ได้แล้วเป็ไปนั่งภาวนาเพ่งพิจารณาแยกแยะออกไปแม่ผู้อยู่บ้านอยู่ท้องก็เหมือนกันถ้าหากว่าเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วมันก็มีโอกาสที่จะต้องท่องต้องจำเอารักษณะอาการของร่างกายอันนี้ ให้ได้นะมันต้องได้ถ้าพยายามนะแต่คนส่วนมากไม่ค่อยพยายามอะ่ะมักจะเมินเฉยเสียแล้วอย่างนี้นะมันจิตใจนี่มันจะพ้นจากรูปจากนามอันนี้ไปได้อย่างไรแล้วในเมื่อตนอาศัยรูปนามอันนี้อยู่แท้ๆแต่แล้วไม่ไม่ได้รู้ลักษณะอาการ ของรูปของน้ำอันนี้ตามเป็นจริงอันถ้าว่ารู้ ก, ก็รู้แบบรวกรวก็ว่านั่นไงรู้รู้ไม่ละเอียดมันก็เลยไม่ยอมปล่อยวางไม่ยอมเบื่อหน่ายอัน น, นถ้าเพ่งพิจนาให้มันรู้ละเอียดเข้าไปนอกจากพิจารณาชิ้นส่วน ของรูปกายอย่างว่านี่นะก็ต้องพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของมันด้วยพิจารณาถึงความไม่สะอาดรูปกายทุกส่วนนี่ไม่มีส่วนไหนสะอาดตลอดเวลาได้มันมันสะอาดก็มีแต่ผิวหนังนี่แหละโดยอาศัยอาบน้ำชำระสะบู่ถู ขัดคลายให้ออกไปอยู่เสมอเท่านั้นแหละจึงปรากฏมองดูกันได้ว่ารูปร่างนี่มันสะอาดแต่ถ้าลงไม่อาบน้ำสกเก็ดวันลองดูผิวพันภายนอกนี่จะคลํำค้าไปเลยกลิ่นก็เหม็นออกมาแล้วอย่างนี้เนี่ยในส่วนภายในนั่นมันก็ โสโรกอยู่ตลอดเวลาเลยแต่ใส่หนังในหุ้มอยู่เท่านั้นเองเลยจึงไม่สิ่งโสโรกจึงไม่ปรากฏออกมาแต่ถึงอะไรมันก็ปรากฏอยู่นั่นแหละแต่คนไม่ใส่ใจเช่นน้ำลายน้ำมูกนี้อุจาราปสาวะโมนีมันก็หลั่งไหลออกมาอยู่อย่างนั้น เหงื่อใครหมดเนี่ยถ้าผู้เอาใจใส่ผู้มีสติกำหนดรู้ไปทุกระยะไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่เห็นมีอะไรสวยงามสักหน่อยรูปกายอันนี้เนี่ยอาศัยที่คนผู้ประมาทไปหลงแต่ความนิยมสมมุติของโลก โลกคือหมู่มนุษย์มันหลงกันเป็นส่วนมากอันที่มันจะรู้แจ้งจมีน้อยเต็มทีมานในเมื่อไปถือเอาตามความสมมติของโลกเข้าโลกเขาสมมติว่ารูปนั่นสวยเดี๋ยวก็เกิดประชันสมกันเดียวว่าประกวดนางงามหมันเนี่ย ก็เล้ลงไปตามสมมุติของเขาเขา้าเกติดใจพอใจอันนี้เรียกว่ามันหลงสมมุติจิตใจมันก็คล้องอยู่ในโลกอันนี้นีจากโลกอันนี้ไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าพากันประมาทอย่าหลง สมมุติคำว่าขี้ร้ายคำว่าสวยงามมันก็เป็นเพียงแค่สมมุติเอาขึ้นมาเท่านั้นเองแต่แท้ที่จริงแล้วรูปอันนี้ไม่มีอะไรขี้ร้ายไม่มีอะไรสวยงามหรอกถ้าเพ่งไปถึงปรมา ธ, ธรรมนะแต่ถ้าเพ่งอยู่ในสมมุติเท่านี้มันก็มีนั่นแหละ รูปที่น่ารักน่าชังตามสมมุตินิยมของโลกแต่ผู้ปฏิบัติธรรมให้ละเอียดลึกซึ้งเข้าไปแล้วมันมันต้องพิจารณาให้เลยสมมุติปัญญัตินี่ไปให้ถึงปรมัธิธรรมคือความว่างจากสัตว์จากบุคคลมีแต่สภาวธาตมอาศัยกันอยู่ เมื่อหมดเหตุหมดปัดจจัยแล้วมันก็แตกดับทำลายไปเท่านั้นเองนี่เราต้องพิจารณาเรื่องสมมุติบัญญัติเหล่านี้ให้มันเจีมแจ้งในใจแล้วนั่นแหละมันก็จะวางลงได้จิตใจก็จะเป็นเป็นอุบเบกขาพร้อมโดยญาณความรู้พร้อมโดยสติ กำหนดรู้เห็นไปอยู่ทุกเวลานาทีไม่หลงไม่ลื ม, มส่วนใดเป็นสมมติบัญญัติก็เราก็รู้ว่าเป็นสมมติบัญญัติส่วนใดที่เป็นปรมาตย์คือเป็นความจริงก็กำหนดรู้ให้มันถึงความจริงให้ได้แล้วก็สงบจิตอยู่